เมื่อวานหลวงพ่อไปการาบคารวะหลวงปู่ลีจากนั้นก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่เพงทำกองเพนจากนั้นขึ้นไปกราบเจดีหลวงปู่ขาวานเข้าพรรษามาก็เขาไปกราบองหลวงตาเป็นองค์แรกจากนั้นก็กราบหลวงปู่บุญมีหลวงปูงป่เพียนแล้วก็หลวงปู่ทย จะว่หลวงปู่จามไปก่อนนะหลวงปู่จามไปก่อนก่อนเข้าพรนสาพราด็ไปทําเจดีทางนู้นกลัวจะไม่ได้เข้าไปก็เลยนําของไปถวายท่านก่อนของคารวะไปหลวงปู่จามก่อนนะ้วก็ช่วงเข้าพรรษากับกาปวงหลวงตาหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียนหลวงปู่ทุยหลวงปู่ลีหลวงปู่เพ่งสรุปแล้วก็ แปดเก้าองค์กระวะที่ลุงพ่อไปส่วนพระท่านไปก็หลายองค์ให้พระไปแถบนี้แล้วก็คงจะให้พระไปอีกคงผูกก้อนบันเพิ่มผูหน้าเหลาสามวัดอันนี้ก็ให้ช่วยๆกันกะเกณกันจะไปวันไหนที่สะดวกนำพระใหม่ไปกราบพระอุปชาจากนั้นก็เจ้าคณะปกครอง ในถิ่นของเราอันนี้ก็เสร็จและบัดเนี่ยสำหรับหลวงพ่อเองพระครูบาอาจารย์ก็จบแล้วตีนี้ก็คงจะไม่ได้ไปที่ไหนอีกสําหรับกราบครูบาอาจารย์เบนเสียแตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ปู่ใหญ่วัดโพนะ่ทางฝ่ายปกครองก็ไปการาบพระวะทันแล้ววันนี้เป็นวันที่ห้า วันทีเ่เจดเป็นวันฉลากภพัดตามประเพณีอีสานบ้านเราเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศลถึงเปตายาทั้งหลายวันเดือนสิบแผ่นที่จะถึงนะ่เพราะนั้นหลวงพ่อเรียงลำดับให้เลยนะอันดับแรกก็คือให้ช่วยกันดูถ้วยถาดให้พอใช้ในวันนั้นสำหรับพระ จากนั้นก็ให้ช่วยกันดูเรื่องหอง้องนงห้องน้ำกุญจงกุญแจที่ล็อกปิดอะไรให้ช่วยกันดูให้เรียบร้อยตลอดถึงผู้ที่จะมาพักค้างมีไหมอันนี้ก็คือให้ช่วยช่วยกันดูทางฝ่ายญาติโยมทางฝ่ายครัวก็เหมือนกันให้เตรียมเตรียมทั้งพร้อมและทางฝ่ายพระวันที่เจ็ดหลวงพ่อจะได้ไปวัดโพธิสมพรตอนเย็น อย่งมาคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงกันแน่แต่ตอนเช้าอาจจะเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยวันนั้นอ่ะอาจจะลงอุโบสถแต่เช้ามืดแล้วจึงค่อยไปวัดโพไปข่าวนเขานิมนต์ไปเทศจะด้ดยซ้ําไปนะหลวงพ่อไม่คาดคิดเ่านจะได้ไปเทศนะลองร อ, องดูในเมื่อท่านนิมนต์มาท่านไว้ใจแต่ท่านไว้ใจจะให้ไปเทศ เทศได้หรือไม่ได้ไม่ว่ากันเพราะหลวงพ่อเคยเทศอดคําเดียวหลวงพ่อเคยพูดมาพลงแล้วทําไมจะไม่ไปพูดวัดโพธิ์ได้อีกอหลวงพ่อพูดสมัยเที่ยวทุดองอดทนพวกเราต้องมีความอดทนนะคือขันติาใครมีขันติความอดทนอยู่ในจิตในใจแล้วผู้นั้นจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง หลวงพ่อเคยพูดมาแล้วทําไมจะพูดไม่ได้หลวงพ่อเออเอาไปเขาไปก็เลย น, นี่มนนี่มนไปเทศแสดงธรรมที่วัดโพว่า ง, งั้นวันนั้นวันที่เจเนี่ยมันเป็นวันฉกแล้วหกพอสมควรหลวงพ่อจึงได้กล่าวเตือนสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมพร้อมอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะคนจะมาเกี่ยวข้องกับวัดเรามันเป็นวันงานฉลากระพัดทําบุญฉลากระพัด เป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณการถือกันมาก็คือทำบุญอุทิศสวนกุศลถึงประเทีตญ า, าติทั้งหลายคือพวกเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายในชาตินี้ก็มีชาติก่อนก็มีชาติคนก่อ น, ก, อนก็มีมีหลายชาติที่เกิดมาในโลกเนะี่ยแต่และชาติพวกเราก็มีพ่อมีแม่มีวงศาคณาญาติเหมือนกับชาตินี้ไม่แพ้กัน แต่ท่านี้ในภพชาติที่หลังบางทีท่านอาจจะไปตกนรกหมกไหมมาแล้วมาคอยส่วนบุญส่วนกุศลท่านก็เออใครเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาบ้างใครได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกเราบ้างเกี่ยวข้องกันในอดีตชาติดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จ้องมองคอยพวกเราได้ทําบุญแต่ละครั้งก็ต้องอุทิศส่วนกุศลถึงญาติพี่น้อง วงศาขนาญาติของพวกเราด้วยเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่อุทิศส่วนกุศลเหมือนกับเราไปทาํามาค้าขายลำรวยแล้วไม่แบง่งทรัพย์สมบัติให้แก่ใครเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเขาก็ไม่ได้ะญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้เพราะไม่ได้แบ่งให้เขาแต่ถ้าเราแบ่งให้เขาเราไปทาํามาค้าขายได้แล้วเราก็แบ่งให้เขาคนนั้นบางคนนี้บางญาติพี่น้องก็มากกว้างขวา ง, ข, วางขึ้นนี่ก็เหมือนกันนะั่นน่ะ แต่บางคนกับบางท่านก็บอกว่าต้องไปทําบุญในตรงที่เขาตายเสียก่อนจึงจะได้บุญกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาในพระธรรมคําสั่งสอนของพธธระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นอนั้นเป็นความคิดใกล้ๆเป็นความคิดเฉพาะตัวและเป็นความคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆไม่มีใครรับรองว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในหลักพระธรรม คำสั่งสอนในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้แล้วไม่เกี่ยวกันถึงเจ้ายจในอดีตชาตินมนานมาชาตินี้เราทำบุญอุที่ส่วนกุศลให้ที่เป็นญาติพี่น้องของเราเขาก็ยังได้รับอยู่ท่านจึงเปรียบเทียบยกเป็นเรื่องราวขึ้นมาคือคือเปรตพระเจ้าพิมพิสารอันนั้นเราวิเคราะห์หรือ ว, ว่าเราพิจารณาดูแล้วชัดเจนคือพระเจ้าพิมพิสาร สมัยก่อนเป็นขุนคลังคือเป็นขุนคลังก็คือเป็นผู้จัดการเรื่องเกี่ยวกับการเงินงนั้นให้แก่ฟ้าชายสาฟ้าชายในสมัยนั้นฟ้าชายสามฟ้าชายก็คือใครมาในยุคนี้ก็คืออุรุเวลานาทีขยากรสปะ3พี่น้องเป็นฟ้าชายของพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นฟ้าชายทั้ง3องค์นีออกบวชพร้อมกัน ในศาสนาพระพุทธเจ้าประุมุตระว่างั้นนะท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะมอบเงินให้ขุนคลังเป็นผู้จัดการแต่นี้เป็นผู้จัดการท่นี้ทหารกองพลทั้งหลายขุนคลังได้ก็จัดการตามหน้าที่บอกองวันที่หนึ่งจ่ายเท่าไหร่วันที่สองจ่ายเท่าไหร่วันที่สาจ่ายเท่าไหร่ก็ให้เพียงพอตั้งคนไว้เพียงพอขุนคลังจัดจัดเรียบร้อยหมดแล้วเงินของฟ้าชายทั้งสามคน รวมกันเป็นกองไว้แล้วเพื่อจะให้จัดในขณะที่ตัวเองบวชเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองการอะไรทั้งหมดจะตั้งใจภาวนากับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพี่พระพุทธเจ้า พ, าพระธูมุตระคือเป็นพระเจ้าพี่ที่ชายใหญ่ก็บวชเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆก็มอบให้ขุนคลังพอขุนคลังจัดการไปทุนคลังก็จัดการตามหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงยิ่งกว่าตรงอี ก, กว่างั้นแตเ่เงินมาเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่มอบให้หมดแต่ตรงที่ไม่ตรงกัคนที่เอาไปใช้งานเลยเที่หน้างานได้เงินมาจะเราไปซื้อสิ่งของไปซื้อสิ่งของเขิตถวายพระพุทธเจ้าถวายพระสงฆ์สาวกที่แรกก็ทําดีพอต่อมาต่อไปได้กัความโลภความโกรธความหลงในหวัวใจของพนักงานเหล่านั้นไม่ซื่อตรง อย่างนั้นก็กินของสง์กินก่อนพระพุทธเจ้าถือวิสาสักไปเลยทีนี่กินทีแรกละอายละอายพอต่อไปก็ดื้อด้านไปเลยทีนี่ผลที่สุดฟ้าชายทั้งสามคนก็เลยลาสิกขาออกมาในสมเดือนเพราะตั้งใจจะบวชสมเดือนเนี่ยพอสมเดือนนั่นก็ออกมาเป็นฟ้าชายขุนคลังได้ก็หมดหน้าที่เพราะเนี่ยจัดเงินตามหน้าที่แล้วตั้งฝ่าย ผู้จัดการทหารบริวารของฟ้าชายทั้งสามคนนั้นก็ทำหน้าที่จบลงกันแต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นเถเนี่ยไอ้คนที่ทำถูกมันก็ถูกเป็นบุญกุศลไอ้คนที่ทำผิดมันเป็นบาปอากุศลน่ะสิเอานี้เออมันไม่ไปด้วยกันเน๊มันไม่ไปด้วยกันเางั้นอะถ้าว่าคนทำบุญมันก็เป็นบุญคนทำบาปมันก็ต้องเป็นบาปถึงจะทำด้วยกัน จับมือกันอยู่ก็าตามเลี้ยงหน้ากระดานกันทําอยู่ก็าตามเจตนาเป็นหลักเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่เป็นอกุศลเพราะนั้นบริษัทบริวารของฟ้าชายทั้งสมนะ่ะที่ทําให้ทําหน้าที่เลี้ยงพระสงฆนะ์กินอาหารก่อนพระพุทธเจ้าปฐมมุตระพร้อมกับพระสงฆ์แบบอิรุ่ยฉวยแฉกเลยวงั้นถือถือวิสาสะกับพระพุทธเจ้า มันไม่ใช่เรื่องจากนั้นพอตายจากชาตินั้นมาเจ้าฟ้าชายก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะอา น, นิสงส์การบวชการทําบุญทำทานขุนคลังท่านก็ไปสวรรค์ของท่านไอพวกนั้นก็ดด่งลงนรกไปไงพวกปริวานเหล่านั้นพอตกนรกขึ้นมาท่นี่ก็เป็นเปรดโอเป็นเปรดยาวนานทีเดียวเลยแต่ขณะที่ ใช้กรรมอยู่นะนะถ้ายังไม่หมดกรรมนะอุทิศส่วนกุศลให้ยังไงก็ไม่ได้รับนะอุทิศให้ยังไงก็ไม่ได้รับเพราะยังไม่หมดกรรมเหมือนกับคนอยู่ในนักโทษจองจอําอยู่นั่นนะเหมือนจะจองจําอยู่ในนักโทษจะส่งเงินหมืน่นเงินแสน้ไปเขาก็เก็บไว้ข้างนอกเขาก็ไม่ให้เพราะมันยังไม่พ้นโทษจะให้อำนวยความสะดวกเหมือนกับคนอยู่ข้างนอกเมื่อพี่น้องร่ารวยส่งเข้าไปแล้วจะอยู่แบบรู้หละโอ้อาไม่เขาก็ให้กินข้าวแดงเหมือนกับ นักโทษทั่วไปเพราะมันมีโทษอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเปรตเหล่านั้นก็พอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็เป็นเปรตหิวโหวยหิวโซอยู่อย่างนั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดรู้ขึ้นมาก็เข้าไปถามพวกหัวหน้าเปรตทั้งหลายที่เป็นบริวารของฟ้าชายมันไม่ใช่น้อยเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเที่าพระเป็นแสนองค์จะใช้คนมากขนาดไหนอย่างั้นเถอะเลี้ยงพระ ไม่ใช่ใช้คนน้อยคงจะเป็นหลายหมืนนะม่นมบบนั้นแหอะออที่จะทําหน้าที่เลี้ยงพระสงฆ์เหล่านั้นก็คงวันหนึ่งก็คงจะเป็นหลายสิบล้านนะมบบนั้นแหละที่เลี้ยงพระสงฆ์ฟาชายทั้งสามท่านเป็นผู้มีจิตจัถามุ่งมั่นทีนี้พอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัดสู้ขึ้นมาก็เข้าไปถามผู้ข่าอีกนานเท่าไรจึงจะ ผลจากการเป็นเปรตความหิวโหยอย่างนี้พระพุทธเจ้ามันมันไกลามากว่างั้นเถอะมันยาวมากมากท่านก็บอกเออไปถามองค์หน้านะพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาอุบัติขึ้นในโลกค่อยถามท่านอีกนะท่านไม่พยากรณ์เลยว่างั้นไม่พยากรณ์ความชั่วของเปรตเหล่านั้นเพราะมันทํากรรมหนักว่างั้นพอองค์หน้าพระพุทธเจ้านานเท่าไหร่ยจะได้เกิดขึ้นมาก็ไปถามอีก อีกนานเท่าไหรน่น้อพระผู้ค่าจะพ้นจากการเป็นเปรตพระพุทธเจ้าองค์ต่อมากพยากรไม่ได้เอ อ, เอไปถามองค์หน้านะคือไล่ไปเรื่อยเพางั้นแต่พระพุทธเจ้าองค์หน้าอุบัติขึ้นในโลกก็ไปถามอีกถามถามในโลกกี่ร้อยกี่พันโู้รู้สิว่ากรลมหนักพอสมควรนะจนมาถึงพระพุทธเจ้ากักุสันโธในพัตตะกับนี้ในพัตตะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์ กกุกชันโทอง์หนึ่งโกนัคมโนองหนึ่งกจัจโโปอง์หนึ่งโคตโมองค์หนึ่งอริยะเมตโยนี่ยังไม่มาตรัสอีกองค์หนึ่งเนี่ว่าพัตตะกับนี่เป็นกับใหญ่แต่นี้เปรตทั้งหลายก็ับใกล้มาเรื่อยเรื่อยเรยมาถึงพระพุทธเจ้ากักกุสชันโทเขาไปถามว่าอีกนานเท่าไหรนะ่น้อพวกกูข้าจะจะพ้นจากการเป็นเปรตพระพุทธเจ้ากักกุสชันโทก็บอกว่า เออจากเรานี่ไปนะในพัฒกับนี้ะ อ, อ, องค์ที่3นะโกนกคมาโนกันสโปโคโตโมแหละใช่ละนะพวกท่านทั้งหลายจะมีญาติเกิดขึ้นมา ช, ชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วพวกท่านทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารจะอุทิศส่วนกุศลให้พวกท่านพวกท่านจะพ้นจากการเป็นเปรตในเวลานั้นตอนนี้พวกเปรตทั้งหลายโอ้พอได้ยินอย่างนั้นแล้วพว คนทุกทรมานไม่รู้กี่เพราววะผู้ใจจาว่างานเถะได้ยินว่าอย่างงั้นก็โอ้เหมือนแสงสว่างส่องเข้ามาแล้วแต่ไหนเห็นทางออกทางไปแล้วแต่ไหนมีความมุ่งหวังอย่างขนาดหนัก เ, ออเปรตเหล่านั้นออที่ว่าถึงอย่างไงก็จะต้องได้พ้นละข่าวนีออ่คงจะพ้นโทษแล้วว่างั้นเถอะร่ออำไรล่ําไรแล้วว่างั้นเถอะคื อ, คอนายคุมนายคุมประตูแล้วนายคุมนักโทษนะบอกแล้วว่า อีกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนจะพ้นแล้วบางเงันเถอะบอกได้แล้วแตะกรอนไม่มีกําหนดบางเงันเะขังตลอดชีวิตในลักษณะอย่างนั้นอ่ะทีนี้เขาก็มีช่องทางพอต่อมาอีกพระพุทธเจ้าโกณคขมโนอุบัติขึ้นถามอีกอก็มาพระเจ้ากัจจปโอขึ้นมาอีกถามอีกพระพุทธเจ้ากัจจปโอได้นะว่าองค์โคตโมองค์ต่อไปนี่แหะพวกท่านทั้งหลายจะพ้นจากการเป็นเปรต จะได้รับเป็นอิสระบาปกรรมทั้งหลายก็คงจะให้ผลจบตรงนั้นท่าิเปลตเหล่านั้นเน่ยเหมือนกับวันพรุ่งนี้แหละจะได้รับส่วนกุศลพอมันสวยทุกทนทุกมาหนมนานพอมาพระพุทธเจ้าของเราตัดสรุปตัดสรุปทำแล้วก็มาโปรดบรญจวคขีทั้งห้าจากนั้นก็มาโปรดชรินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องก็คือนั่นแหล ะ, เ, ะเป็นเจ้าฟ้าชายสามองค์นั่นแหะ สมัยที่เขาเป็นเปรตนั่นนะเริ่มแรกนั่นนะที่มอบสมบัติให้แก่คุนคลังกับคุนคลังก็คือพระเจ้าพิมพ์พิสารเนะ่ยพระเจ้าพิมพ์พิสารคือพระเจ้ามคตนั่นนะ่ะเจ้าฟ้าชายนั่นกับมาเป็นสะดินสามพี่น้องอยู่ในแม่น้ําคงคานะ่ยพระเจ้าพิมพ์พิสารกัรบเคารพนับถือสะดินสามพี่น้องเมตเป็นชีวิตจิตใ จ, จเพราะเหตุไดกับเพราะมันกรรม ต่อเนื่องกันมาในอดีตชาติเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทางหลายที่มาทําบุญด้วยไปด้วยกันมาด้วยกันทําบุญกุศลด้วยกันมันเกี่ยวเนื่องกันนะถ้าจะว่าไปตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นใครอย่าไปทำความกรรมชั่วนะถ้าใครทํากรรมชัว่วคนนั้นก็เป็นขยะของพี่น้องเหมือนกันทําตัวไม่ดีในพี่น้องทําตัวให้ช้ำอกช้ําใจในพี่น้อง เพราะนั้นสิ่งใดที่มันไม่ดีอย่าทำบางงั้นทําในสิ่งที่มันดีเพราะมันจะต้องถาาว่ายังไม่พ้นทุกมันก็เกี่ยวเนื่องไปยังเปรตพระเจ้าพิมพิสารอย่างนั้นแต่ในสามพี่น้องนั่นก็มาชาตินี้ก็มาบวชเป็นชดินไม่ได้เป็นพระเจ้ามดิไม่ได้แต่งงแต่งานมาเป็นชดินเป็นฤาษีทั้งสามพี่น้องพอพระเทวเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจบแล้วก็มาโปรดชดิน สพี่น้องพอชดินสามพี่น้องสยบนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะออกบวชทั้งหมดมีบริวารทหารด้วยพันกับสามองค์สองค์ก็คือชดินสามพี่น้องนะั่นบริวารพี่พี่ใหญ่บริวาร500ร้อยบุพุธสองบริวาร300ผู้ที่สมบริวาร200น้องน้องคนสุดท้องน้องน้อยนะสามคน ถ้าบอกมาพบใดชาติใดก็จะแดงว่าพี่น้องด้วยกา น, นรักกันมากว่างั้นเถิะเกิดมาพบใดชาติใดก็ยังเกิดเป็นพี่น้องกันอยู่มาในชาตินี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ทหารก็คงจะจงรักภักดีเจ้านายอย่างสุดๆเหมือนกันยังมาเกิดเป็นทหารคงจะให้ความเป็นธรรมแก่ลูกน้องมากๆว่างั้นเถิดมาเกิดชาตินี้ก็ยังมาเกิดอีกว่างั้นเถิดตอนนี้พระพุทธเจ้าไปโปรดพอไปโปรดเสร็จแล้วกันเข้ากรุงราชาคือ พระเจ้าพิมพิสารก่อนเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่เหนือกว่าฉดินปราบฉดินอยู่แล้วว่าเอาฉดินเป็นลูกน้องเอาชดินเป็นลูกศิษย์จะแล้วบวชหมดแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็สยบแล้วว่าเห็นพระพุทธเจ้าโถไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าโคตมหเนี่ยจากนั้นก็มาฟังเทศเพราะฟังเทศได้สําเร็จพระโสดาบันฟังเทศในวันนั้นคนมาตั้งสิบสอนหุ่ได้ สำเร็จมั้งสำเร็จผลสิบเอ็ดนั่งหดนะมากขนาดไหนเหมือนน่าจากนั้นก็พระเจ้าพิพิสารก็เลยถวายวัดเวลุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาอข้าพุทธองค์ขอถวายวัดป่าเวลุวันไว้ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็หยอดเทน้ําทักขินโนทกเอเหมือนพระเจ้า นาเลสวนไปลบกับพม่าแล้วหยาดน้ําลงในแผ่นดินอย่างนั้นน่ะตัดสัมพันธ์ทําไมตรีแต่อันนี้ท่านตัดสวนเวลุวันถวายพระพุทธเจ้าแบบยกให้เลยตัดออกไปเลยให้เขาไปยกเอาน้ําเป็นสกีพยานยกแผ่นดินตอนนี้ให้พระพุทธศาสนาให้พระพุทธเจ้าถวายหยดน้ําลงทักคีโนโทกลงในแผ่นดิน ท่านก็ม่ได้อุทิศส่วกุศล น, น, นะให้เขา้าไปยกวัดป่าเวลวุวันถวายพระพุทธเจา้าพร้อมพระสงฆ์นั่นแหละวัะดเวลุวันจึงเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวัดรับเป็นวัดแรกจากนั้นพระเจ้าพิพิสารถวายเสร็จแล้วกัปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจแหละท่านเองกับเวียงกับวังถวายไว้ในพุทธศาสนาตัวเองก็ได้ริยมักริยผลแหละคือพระโสดาบันในจิตใจแล้ว เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างสุดซึ้งละ่พะพอกลับไปถึงเวียงถึงวงังตกกลางคืนมาพวกเปรตทั้งหลายอย่างที่ว่าเนี่ยนะที่พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นขุนคลังมาก่อนที่ให้พวกนี้ไปทําบุญทำกุศลมาพระเจ้าพิมพ์ิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้นไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไม่ได้คิดถึงใครเลยพอทําบุญแล้วก็จบไปเหมือนกับได้เงิน เขาเขียนเช็คให้แสนล้านเเสร็จแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าเลยจบเลยไม่ได้มอบให้แก่ใครไม่ได้แบ่งใครเลยเพราะงันเขียนเช็คเสร็จแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าเลยทีนี้พวกบริวารทั้งหลายแหลพระเจ้าไปดินไม่แบ่งให้ท่นเลไม่แบ่งกุศลให้ไม่อุทิศให้พอตกกลางคืนมาพวกเปรตก็เลยแสดงทําไมไม่แสดงกลางวันพวากลางวันพระเจ้าพิบ พิมพิสารมีธุระใช่ไหมล่ะไปนู่นไปนี่ไป น, ไปนี่ไปนั่นทำธุระคนก็เยอะนะยพระตกกลางคืนพระเจ้าพิมพ์พิสารอยู่ตามลําพังฮะเปดทั้งหลายก็ได้ทีออกมาแขวนประตูหน้าตามั่งตรงลงเตงเลงไปเลยแก้ผ้าบอกไม่มีเสื้อผ้าเพราะเปรเด็หิวโซบ้างอทั้งหิวทั้งพร้อมด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคือเนีนะ่ยกลัวผีเหมือนกันะนะพรุ่งนี้เช้ามาก็เลยตื่นออกมาแต่เช้า ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพองค์บอกว่ามหาปพิธสเสด็จมาทําไมเช้านักพระองค์บรรทมนอนหลับดีอยู่หรือทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าพิพิสาร น, นอนไม่หลับทั้งคืนมางั้นโอ้ยหมอมฉันนอนไม่หลับเลยพระเจ้าข้าเลยทำไมมันอะไรมันยุ่งเหยิงอิลุงตุงนางไปหมดในในเวียงในวังของข้าพระองค์พระพุทองค์บอกว่านะเป็นเปรตญาติพี่น้องพระองค์ทําบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เมื่อวานนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ข้าพระองค์ขอทําบุญอีกพระองค์เออได้พอได้เสร็จแล้วท่านก็วันรุ่งขึ้นจัดการใหญ่เลยทีนี้ทําบุญอุทิตนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันในวังจากนั้นกุทิศส่วนกุศลเออเปตรตญาตญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันในชาติก็ดีในภพใดชาติใดก็ดีถ้าว่ายังตกค้างอยู่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าครั้งนี้ด้วยเทินข้าพเจ้าทําบุญวัทิศให้แก่พวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าทําบุญกับพวกพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระอรหันต์และก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในทั่วหน้ากันด้วยเทินในใจจากนั้นก็ เทน้ําลงในแผ่นดินอีกเงินทักกีโนโทกอีกจากนั้นเปรตเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกนุศลพอวันลุ่งกลางคืนมาอีกมาอีกเปรตเหล่านั้นอ้วนมีผีมันหมานอารมสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้ามาอิลุงตุงนังไปหมดเลยไม่มีเสื้อผ้าอ้วนไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานผอมเหมือนกันแต่อเสงฆ์ในการทําทานอิอ่มมีผีมันพระเจ้าพิมพิสารก็นอนไม่หลับอีกทน่นี่เพรเห็นนยังเห็นอยู่เหมือนกันแต มากราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาบพิษเมื่อวานเนี่ยทำบุญแต่อาหารไม่ได้ทำบุญเรื่องผ้าอาพรให้แก่เปรตมีแต่อาหารเพราะทั้งเขาได้กินแต่อาหารเขาก็อ้วนหมีผีมันยังไม่ได้ทา เ, เป็นผ้ า, าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็ทำอีกเลยเอาผ้าถวายพระสงฆ์พร้อมกับอาหารตั้งแต่วันนั้นมาเปรตล่านั้นก็เลยไปหาเกิดของใครของเราเลย เพรได้เงินเข้ากระเป๋าล่ะไปหาเกิดคนไหนจะไปสู่สวรรค์ก็ไปได้เพราะเขาไม่ใช่แต่กรรมชั่วอย่างเดียวเลกรรมดีของเขาก็มีอยู่ในการกระทําในครั้งนั้นแต่กรรมชั่วของเขามันหนักกว่าแต่กรรมดีของเขามันก็มีอยู่จากนั้นพอพ้นกรรมแนละ้วผู้ไปสู่สวรรค์ก็มีพอพ้นโทษแล้เนีพอพ้นโทษนะขึ้นมาแล้วเงินที่เขาฝากครั้งว่าก็ยังมีอยู่งั้นเถอะเขาก็ไปเบิกเงินในครั้งออกมาใช้ก็เป็นเศรษฐีได้คนที่จะไป ทําการทํางานอย่างอื่นคนมีทุนน้อยก็มีเพราะมันทํางานด้วยการเค้าน่าจะคงจะเป็นหมื่นเลี้ยงพระเป็นแสนเน่ยมันไม่ใช่น้อยเหมือนันเะนี่ยและสรุปแล้วก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลนีนนน่ไม่ได้เลือกสถานที่ก็ข้อสําคัญให้เราอุทิศส่วนกุศลให้จริงจังแล้วก็พร้อมกับทำกับพระสงฆ์กูบายจานเออท่านผู้มีคุณธรรมท่าทว่าทำกับพระพุทธเจ้าแน่นอนละ ทํากับประสงค์ธรรมดานี่ก็อย่างว่าสมมติที่สงบังอริยะสง์บังจะให้เสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนกับเราหว่านพืชลงนาโคกนาน้ําอุรมสมบูรณ์นั่นแหะจะให้เสมอกันก็นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเราะนั้นพวกเราอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เหม okay. right like ือนกับเครื so we we ่องคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เขาเก็บข้อมูลไว้หมดใจของเราก็เหมือนกันเก็บข้อมูลไว้หมดมีอะไรเกิดมาพบใดชาติใดเก็บข้อมูลไว้หมดถ้าเรามียาณทัศนะขึ้นมาเรากดดูเลยเถเนี่ยกดขอหาข้อมูลเลยกดทับๆๆๆทับทับชาติแล้วชาติก่อนชาชอนชาชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชอชชชชเชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช มันจําได้ดีเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าอีกถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่บางทีหมื่นเลีกยกไม้บางแสนเลีกยกไม้บางล้านเลีกยกไม้บางอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณเหมือนกันเลยแสดงว่าข้อมูลของท่านสมองคอมพิวเตอร์ของท่านตัวนั้นใหญ่มหึมาเลยเหมือนกันแต่กดออกมาเท่าไหลหลหลั่งไหลออกมาไม่มีที่จบสิน้นแต่บางคนกับคอมพิวเตอร์ที่ทําจาก เมืองไทยเมืองเขมรเมืองลาวเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเพิ่งเกิดใหม่นะหัวสมองมันมันรีบมันน้อยกดไปตับทับสองสข้อมูลแล้วก็จบแล้วสี่ห้าข้อมูลก็จบแล้วในรายละเอียดก็ไม่ได้แต่ข้อมูลของพวกพทธเจ้าพระรหันสาวกที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วเนี่ยข้อมูลของท่านพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละการสั่งสมบุญแล้วก็บุญกุศลของพวกเราที่ทํามาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เป็นมาอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยถ้ามันสูญแล้วพระพุทธศาสนานี่พระไตรปิฎกของคงจะหมดไปหลายครึ่งเหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้าว่าเอาแต่ปัจจุบันมาพูดอันนี้ท่านพูดไว้หมดเนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเหมือนกับเราจะไม่เชื่อว่ามันเผ็ดนะเนี่ยพริกเนี่มันเผ็ดนะถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราอยากจะเชื่อเราก็กินดูสิว่ามันพริกหนึ่งมันเผ็ดหรือเปล่าถ้ากินเข้าไปมันก็ต้องเผ็ดไงนี่แหละความเชื่อเกิดขึ้นอะไรทีนี้เพราะมันเผ็ดจริงๆริอันนี้ก็เหมือนกันคุณงามความดีทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บารุีคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ถ้าเราทําจริงจั ง, จงมันรู้ได้ทั้งนั้นน่ะ แต่ถ้าว่าเราไม่ทําไม่จริงจังไอะอย่างว่าเนะี่ยเดาไปเรื่อยเหมือนตะบอดเดินไปเนี่ยกูจะไปกลัวอะไรวะเตะมันก็ได้นะถ้าเตะไปถูกต้นกล้วยก็ค่อยยังชั่วเนียไปเตะถูกเสาล้วก็ลองลองนะ่ะน่าแข้งหักเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นนะตาบอดปวดดีมันเป็นลักษณะอย่างงั้นนะถ้าตอนนี้ไปรับผ่อนนัดนีนะหลวงพ่อได้พูดที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ย มาในพระไตรปิฎกนะในธรมรม ป, ปัททะกถาพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้อย่างนั้น oh. เพราะนั้นพวกเราจะตำรวจพิสูจน์ยังไงก็พิสูจน์อย่างที่หลวงพ่อว่านี่นะการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนานะรับพรยะถาวาริวะหาปุราปาริปูเร